ถ้ามบทแปลเรื่องที่82เรื่องพระธารุจีริยเถระภาคที่สเรื่องที่สองของมกที่8สหัสวรควานานาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระธารุจีริยเถระตรัสพระธรรมเทศานานิว่าสหัสสมปิกเจกาธาเป็นต้นความพิสดารว่า ในการหนึ่งมนุษย์เป็นอันมากแลน่นเรือไปสู่มหาสมุทรเมื่อเรืออับปางในภายในมหาสมุทรได้เป็นพักษาของเต่าและปลาแล้วบรรดามนุษย์เหล่านั้นบุุษคนหนึ่งแลจับกระดานไว้ได้แผ่นหนึ่งพยายามกระเสือกไปสู่ฝั่งแห่งท่าเรือชื่อสุปปาระกะผ้านุ่งห่มของเขาไม่มีบุุรนั้นไม่เห็นอะไรอื่น จึงเอาปอพันท่อ้นไม้แห้งทำเป็นพ้านุง่งถือกระเบื้องจากเทวสถานได้ไปสู่ท่าเรือสุ ป, ปารกะมนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาแล้วให้ยาคูและพัดเป็นต้นแล้วยกย่องว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบุรุษนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายนำผ้าเข้าไปให้คิดว่าถ้าเราจากนุ่งหรือจากห่ม ลาบสการะของเราจะเสื่อมจึงข้าผ้าที่เขานำมาเสียนงห่มแต่เปลือกไม้เท่านั้นครั้งนั้นเมื่อเขาถูกมนุษย์เป็นอันมากกล่าวอยู่ว่าเป็นพระอรหันต์ความปริวิตกแห่งใจจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งแลในโลกบรรดาพระอรหันตเหล่านั้น เราก็เป็นพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึ่งทีนั้นเทวดาผู้เป็นสาโลหิตกันในการก่อนแห่งบุุษนั้นก็คิดแล้วอย่างนั้นข้อว่าผู้เป็นสาโลหิตกันในการก่อนคือผู้กระทาสมณธรร ม, ม, ร, ร, มร่วมกันในครั้งก่อนได้ยินว่าในการก่อนเมื่อศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากระศบเสื่อมลงอยู่ ภิกษุเจ็ดรูปเห็นประการอันแปลกแห่งบรรปะชิตทั้งหลายมีสัมมเนมเป็นต้นแล้วถึงความสลดใจคิดว่าความอันตรธานแห่งพระศาสนายังไม่มีเพียงใดพวกเราจะกระทำที่พึ่งแก่ตนเพียงนั้นไหวพระเจดีย์ทองคำแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มีอาลัยในชีวิตจงกลับไป ผู้ไม่มีอะไรจงขึ้นภูเขาลูกนี้ภ้าบันไดแล้วแม้ทั้งหมดขึ้นสู่ภูเขานั้นผลักบันไดแล้วกระทาสมณธรรมบรรบดาภิกษุเหล่านั้นพระสังฆเถระบรรลุพระรหัสโดยล่วงไปราตรีเดียวเท่านั้นพระเถระนั้นเขียวไม้ชำระฟันชื่อนาคารดาในสะอนดาด นำบินทบาตมาแต่อุตรกุรุทวีปแล้วกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเคียวไม้ชมาระฟันนี้บ้วนปากแล้วจงฉันบินธบาตนี้ภิกษุท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้อย่างนี้ว่าภิกษุใดบรรลุพระอรหันต์ก่อนภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากฉันบิธบาต ท, ที่ภิกษุนั้นนามาหรือ พระเถระผู้มีอายุข้อนั้นไม่มีเลยภิกษุตั้งหลายกล่าวว่าถ้าเะ่นนั้นแม้พวกเราเพิ่งยังคุณวิเศษให้บังเกิดเหมือนท่านพวกเราจักนำมาบริโภคเองต่งนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาในวันที่สองพระเถระองค์ที่สองบรรลุอนาคามิปวดแล้วแม้พระเถระนั้นนํามิทบาทมาแล้ว กนิมนภิกษุนอกนี้อย่างนั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญก็พวกเราทํากติกากันไว้อย่างนี้ว่าพวกเราจะไม่บริโภคบิณฑบาตที่พระมหาเถระนํามาบริโภคบิณฑบาตที่พระอนุเถระนํามาหรือพระเถระองค์ที่สองผูมิอายุข้อนั้นไม่มีเลยภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น แม้พวกเรายังคุณวิเศษให้บังเกิดเหมือนท่านแล้วอาจเพื่อบริโภคด้วยความเพียรแห่งบุรุษของคนได้จึงจักบริโภคดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้บรรลุพระอรหัสต์ปรินิพพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรทธโลกภิกษุหารูปนอกนี้ไม่อาจยังคุณวิเศษให้บังเกิดได้ พรายพร้อมแล้วกระทํากาละในวันที่7จ็ดบังเกิดในเทวโลกในพุทุปปาบาทการนี้จุติจากเทวโลกนั้นแล้วบังเกิดในเรือนแห่งตระกูลนั้นๆบรรดาคนเหล่านั้นคนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสดพคนหนึ่งได้เป็นพระทารุจิริยะ คนหนึ่งได้เป็นพระทะพะัพพระมัลระบุตรคนหนึ่งได้เป็นปริภาชกชื่อสพิยะแลคำว่าเทวดาผู้เป็นสาเรหิตกันในการก่อนนี้ท่านกล่าวหมายเอาภิกษุผู้ที่บังเกิดในพรหมโลกนั้นพรหมนั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าบุุษนี้พาดบันไดแล้วขึ้นสู่ภูเขาได้กระทำสมณธรรมกับเราเดี๋ยวนี้ เขาถือลัทธินี้เที่ยวไปพึงชิบหายเราจักยังเขาให้สลดใจทีนั้นพรหมนั้นเข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าภัยะท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ดอกท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตธรรมเลยถึงปฏิปทาของท่านเป็นเหตุเป็นพระอรหันตหรือเป็นผู้บรรลุพระอรหัตธรรม ก, ก็ยังไม่มี พายะแลดูมหาพรหมผู้ยืนพูดอยู่ในอากาศจึงคิดว่าโอ้เราทํากำหนักเราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็มหาพรหมนี้พูดกับเราว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตมรักเลยพระอรหันต์อื่นมีอยู่ในโลกหรือหน่อแลทีนั้นเขาถามมหาพรหมนั้นว่า ท่า น, นผู้เป็นเทวดาเดี๋ยวนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอารหัตมัชมีอยู่ในโลกหรือหน่อแหลครั้งนั้นเทวดาบอกแก่พาหิยะนั้นว่าพาหิยะนครชื่อสาวถีมีอยู่ในชนบทแถบอุดรเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธานั้นประทับอยู่ในพระนครนั้นพาหิยะ ก็พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอระหันต์ด้วยทรงสแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอระหันต์ด้วยพะยะฟังคำของเทวดาในส่วนแห่งราตีแล้วมีใจสลดในทันใดนั้ น, น, นเองออกจากท่าเรือสุ ป, ปาระกะได้ไปถึงกรุงสวรถีดโดยการพักโดยราตรีเดียวเขาได้เดินทาง ประมาณ120โยต์ทั้งหมดโดยการพักราตรีเดียวเท่านั้นก็แลเมื่อไปไปแล้วด้วยอนุภาพของเทวดาอาจารย์บางพวกกล่าวว่าไปด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าบ้างทีเดียวก็ในขณะนั้นพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่กรุงสวัรถีเพื่อบินถบาทพายะนั้นถามภิกษุทั้งหลาย กูชันลอาหารเช้าแล้วเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเพื่อต้องการปลื้งความคลานทางกายวาเดี๋ยวนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายตอบว่าสเสด็จเข้าไปกรุงสสวัตถีเพื่อบินทบาตแล้วถามบุรุษนั้นว่าก็ท่านมาแต่ที่ไหนเล่าทารุจิริยะข้าพเจ้ามาแต่ท่าเรือสุ ป, ปากระกะภิกษุท่านออกในการไร ทารุจิริยะข้าพเจ้าออกในเวลาเย็นวานนี้ภิกษุท่านมาแต่ที่ไกลจงนั่งก่อนล้างเท้าแล้วทาด้วยน้ำมันแล้วจงพักเหนื่อยเสียหน่อยท่านจะเห็นพระสาสดาในเวลาที่เสด็จมาทารุจิริยะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของพระสาสดาหรือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หยุด ไม่ได้นั่งในที่ไหนเดินทางมาสิ้ น, น120่ย่โยต์โดยคืนเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าพอเห็นพระศ า, ศาสดาแล้วจึงจะกพักเหนื่อยพายะนั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วมีท่าทีเร่งร้อนเร่งเข้าไปในเมืองสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตด้วยพุทธสิริอันหาที่เปรียบไม่ได้คิดว่า นาน่นหอเราเห็นพระโคโดมสัมมาสัมพุทธะทงนี้แล้วก็น้อมตัวเดินไปตั้งแต่ที่ที่ตนเห็นหวายบังคมด้วยเบญจางค่าประดิษฐ์ในระหว่างถนนจับที่ข้อพระบาททั้งสองแน่นแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงแสดงธรรม อันจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลานานเถิดลำดับนั้นพระศาสดากระามเขาว่าพายะไม่ใช่การก่อนเราเป็นผู้เข้าไปสู่ระหว่างถนนเพื่อบินทบทัทพายะฟังพระพุทธดำรักนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าผู้ต้องเที่ยวไปในสงสารไม่เคยได้อาหารคือคำข้าวเลยหรือ ข้าพระองค์ไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์หรือของข้าพเจ้าขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดแม้ครั้งที่สองพระศัสดาก็ตรัสห้ามแล้วเหมือนกันได้ยินว่าพระศัสดานั้นได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่าจำเดินแต่การที่พญ า, านี้เห็นเราแล้วสรีระทั้งสิ้นของเขาอันปีติท่วมทับไม่มีระหว่าง ผู้มีปีติมีกำลังแม้ฟังธรรมแล้วจักไม่อาจแทงตลอดของจริงได้เขาจงตั้งอยู่ในอุเบกขาคือความมัธยัสถ์ก่อนแม้ความกระวนกระวายของเขาจะมีกำลังเพราะเป็นผู้เดินมาสิ้นทาง120โยยี่โยศโดยคืนเดียวเท่านั้นแม้ความกระวนกระวายนั้นจงระงับเสียก่อนเพราะฉะนั้น พระสัสดาจึงตรัสห้ามสองครั้งถูกเขาอ้อนวอนแม้ครั้งที่สามประทับยืนในระหว่างถนนนั่นเองทรงแสดงธรรมโดยในเป็นต้นว่าพะยะเพราะเหตุ น, นั้นเธอพึ้งศึกษาในศาสนานี้อย่างนี้ว่าเมื่อรูปเราได้เห็นแล้วรูปจักเป็นเพียงเราเห็นพะยะนั้นกําลังฟังธรรมของพระสัสดานั่นแล ยังอาสวัทั้งหมดให้สิ้นไปบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่แล้วก็แลขนขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคถูกตรัสถามว่าบาทจีวรของเธอครบแล้วหรือทูลตอบว่ายัางไม่ครบทีนั้นพระสัสดาต ร, ารัสกับเขา ว, ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงสแสวงหาบาทจีวร แล้วก็เสด็จหลีกไปได้ยินว่าพาะยะนั้นกระทาสมณะธรรมสิ้นสอง0 0ปีคิดว่าธรรมดาภิกษุได้ปัจจัยด้วยตนแล้วไม่เหลียวแลผู้อื่นบริโภคเองเท่านั้นจึงควรดังนี้แล้วไม่ได้กระทาการสงเคราะห์ด้วยบาทหรือจีวรแม้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นพระ ศ, ศาสดาทรงทราบว่า บาจีวร อ, อันสำเร็จแล้วเดริศจกไม่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ประธานบรรพชาด้วยความเป็นเอหิภิกษุเกเขาแม้ผายยะนั้นสแสวงหาบาทจีวร อ, อยู่นั่นแลยักษีนีตนหนึ่งมาด้วยรูปแม่โคโนมขวิดถูกตรงขาอ่อนข้างซ้ายให้ถึงความสิ้นชีวิตประศาสดาสเสด็จเที่ยวินทบาททรงกระทำพัฒกิจเสร็จแล้ว สเสด็จออกไปพร้อมกับภิกษุเป็นอันมากทรงเห็นสรีระของพายะถูกทิ้งในที่กองขยะจึงทรงบัญชาภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยืนใกล้ประตูเรือนแห่งหนึ่งให้นำเตียงมาแล้วนำสรีระนี้ออกจากเมืองเผาแล้วกระทำสถุปไว้ภิกษุทั้งหลายกระทำดังนั้นแล้วก็แลครั้งกระทาแล้ว ไปยังวิหารเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลบอกกิตติตนกระทำแล้วทูลถามอภิสัมปรายภาภพของภาิยะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสบอกความที่ภาิยะนั้นปรินิพานแล้วแก่ภิกษุเหล่านั้นทรงตั้งไว้ในเอตถคะว่าภิกษุทั้งหลายภาิยะทารุจีริยะในวงเล็บผู้นุ่งผ้าเปลือกไม้ เป็นเลิศกว่าภิกษุผู้สาวกของเราผู้ตรัสรู้เร็วลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่าพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าภายะทารุจิริยะบรรลุพระอรหันต์เขาบรรลุพระอรหันต์เมื่อไหร่พระศาสดาในการที่เขาฟังธรรมของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุ ก็พระองค์ตรัดทำเกะเขาเมื่อไหร่เล่าพระศัสดาเรากําลังเที่ยวบิดาบัดยืนในระหว่างถนนกล่าวทำเกะเขาภิกษุพระเจ้าค่าก็ทําที่พระองค์ประทับยืนในระหว่างถนนตรัสแล้วมีประมาณเล็กน้อยเขายังคุณวิเศษให้บืองเกิดด้วยธรรมมีประมาณเพียงนั้นอย่างไรลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากด้วยว่าคาถาพันหนึ่งแม้เป็นอนเนกที่ไม่อาศัยประโยชน์ไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งคาถาแม้บทเดียวอาศัยประโยชน์ประเสริฐกว่าดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า สหัสสมปิเจคาธาอนนัตถะป ะ, ะสั้นหิตาเอเกังคาธาปะดังสซโยยังสุตวาอุปสัมมตีติหากว่าคาถาแม้พันหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์บทเป็นประโยชน์ไม่ประเสริฐบทแหง่งคาถาบทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าแก้อัด เบิ้นดาบทเหล่านั้นสองบทว่าเอกังคาท่าประดังความว่าแม้คาถาคาถาเดียวเห็นปน่านนี้ความไม่ประมาทเป็นทางอมตะและอื่นๆเหมือนคนตายแล้วประเสรดกว่าบทที่เหลือพึงทราบตามในก่อนนั่นแลในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิฝนเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระทารุจิริยะเถระ